ธรรมะก็พูดมาบ่อยๆวิสิิบัติตามธรรมะในศาสนาเป็นอย่างไรเงียบง่อยไปนี่ใช้เพื่อมาเล่าเรื่องจิตใจแต่ถ้าวิสกขิบัติไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไมีมีก็เพาะมันไมมีอะไรที่จะมาเล่านอกจากควคิดความปรุงจีตธรรมดาธรรมดาสี่ๆชั่ี่ๆ เป็นสาดให้ละไรแากว่าเล่าเ <c oughs> พราะจิตใจนี่เจริญ่ก่าหนาแต่อายุพรรษาปีเดือนหมดไปหมดไปก็ควรจะเตือนตัวเองพรรษาที่หลวงมาล่วงมาลัาานคเนือนผ่านไปผ่านไป <c oughs> ความดีอะไรที่ เกิดขึ้นกับจิตเกิดใจยังไงเป็นไม่เห็นไม่รู้เห็นเนื่องจากอะไรจึง เ, เป็นแบบนั้นภาวนาที่ครูอาจารย์คอยนี้อะไรที่จะเกี่ยวเข็ญให้เราเจริเวลาในการภาวานาจะทจําจิตจะเป็นเพราะเราเองในต่างหน้าต่างตาทำกันจริงจังหรือมันเป็นเพราะอะไรจิตใจจึงไม่กล่าวหนะจึงไม่เป็นไป มันก็ควรจะตรวจตาที่เจรินาตัวเองนี้จะอยู่คอยวันตายไปมันเป็นอะไรก็อนสั่งไม่เป็นอะไรก็อนสั่งอยู่แบบนั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรนักบวชก็คือนักปฏิบัติสึกหัอกดอบรมจิตใจของตัวตรวจตาที่เจรินา อยู่ทุกระยะทุกเวลาจะเป็นการนัง่งธรรมดาการนัง่งภาวานาทำความเพียรก่อนตามีม่ปล่อยเวลาหรืออารมณ์สัญญาให้ก่อเกี่ยวกกชักจูงจิตใจให้ไปในทางขัวทางเสียคือสรุปแล้วก็คือมีสติอยู่ที่จิตจีใจของตัวทุกระยะมันคิด อะไรมันปรุงอะไรให้ทราบความเป็นไปของมั น, นคือผูที่มีความเชียนจีมีสติรักษาจิตใจของตัวเวลาได้ก็หม่สั่งใจข้าได้ก็หม่เอาจิงเอาจังให้แต่ความเป็นไปก่าหน้าของจิตมันก็ไม่มีโอกาสเวลา ความดีจ ะ, จะเจริญงองามขึ้นเพราะความดีนั้นจะต้องอาศัยการดูแลรักษาอาศัยการเอาใจใส่อาศัยการทำจริงไม่ว่าความดีทั้งจิตทางใจหม่ว่าความดีทั้งโลกของชั่วในปรารถนาในรักษานั่นก็เกิดขึ้นได้อย่างถือพันธุ์ต่างๆที่เป็นข้าสุดกับจริง ปูกฝังในนาในสวนเขาในเตปูเขาไม่ไปรักษาแต่มันเกิดขึ้นมาเองความปกกรปกเสยหายต่างๆของความสะอาดก็เหมือนกันผ่าแพร่ของเราที่ซักขอกสะอาดแล้วก็ไม่ตรงไปหาย่อมไม่ไปหามาตะมาสามาทาแต่ของขปกกระปกนั้นเราไม่ ดูแลรักษาในต่งนางหน้าปฏิบัติอยากหนังที่ไหนก็นหนังจะยืนที่ไหนก็ยืนเสียบทีอะไรก็เสียบสีไปไหนสาบว่าสิ่งนั้นมันปกกระโปกหรือโสมองอย่างไรมันก็เกิดโปกระปกขึ้นได้สวยตามสิเรานำมาใส่อาหารก็เหมือนกันขอ ง, งปกระโปงเราไม่ต้อง ไแ้แสวงหามาแต่เราในดูแลรักษาปล่อยเอาไว้ของตกระโปรมันก็เกิดขึ้นฝนละอองต่างๆตกมามันก็ทำให้สกระปรได้นี่ของตกกระโปรกของชั่วของต่แเราไม่ต้องทำมันเกิดขึ้นเองแต่ของดีนี้ค่ะจะต้องรักษาต้องทำขึ้นเรื่องของโลกก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมก็ทรรมนองเดียวกัน ไม่ใช่อยูย่ๆจะให้จิตใจมันสงบเงียบอยูย่ๆจะให้จิตใจมันเกิดปัญญาละถอนกิเลสมันเจนไปไหนได้ใ น, นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็มีสอนว่าความเพียรคือความพยายามรักษาจิตใจของตัวความเพียรก็เคยอธิบายให้ฟังประทางความเพียรสี่อย่างที่เคยกล่าวเคยเทศเคยสอนมา สังวรจะทานรักษาอารมณ์สัญญาความชั่วเสียต่างๆทางกายทางวาจาทางใจมาให้เกิดขึ้นมาใเหเ้โยวข้องมาให้มาควบคันคือระวังทางนอกจิตจิตจะไปคิดกายจะไปทำวาจาจะไปพูดสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆระวังเอาไว้ มาเห็ทำมาเห็นพูดในคิดเมื่อมันมีอย่างไรมันเป็นอย่างไรถ้หาหกจะทํทาทั้งกายทางใจทางขอปฏิบัติของตัวให้สื่อมเสียแล้วจะต้องระวังห่างกัน้นในสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาย่ยวเกาะควกพันกับ ก, กบายกับจิตของตัว นี่คือสังวรประฐานความเพียรจะทราบได้ก็อตอนน้องมีสติว่าอันนี้เป็นอย่างไรเมื่อทำไปเมื่อพูดไปเมื่อคิดไปมันจะนำความดีมาให้หรือจะนำความเสียหายมาให้ก็ต้องมีสติรู้วาระกิจที่ไปติดข้องเกี่ยวพันกับสัญญาอารมณ์กับสิ่งที่ตัวทำตัวพูดตัวคิดอย่างนั้น มันจึงจะทราบว่าอันนั้นชั่วอันนี้ดีถ้าหากไปตร ว, วตรวจตารักษามันก็ไม่ทราบว่าอันนั้นเป็นอารมณ์ตั้นยาอะไรชั่วหรือดีอย่างไรไม่ทราบเมื่อไม่ทราบมันก็เลือบเส้นไ่ได้ของชั่วทั่วไปมันก็จะตกลงนเข้ามาเรื่อยๆทำให้ตัวชั่วตัวเสียตัวเหน่าตัวเน้นตัวทุกตัวร้อน เพราะในสังวรระวังความชั่วที่อยู่ข้างนอกที่มันจอมาหากายวายใจจิตความเพียนเบื้องต้นที่สันซ้อนเอาไว้สังวรไปรทานปหานไปทานก็คือความเพียนอีกข้อนหนึ่งถึงมีสติดูแลรักษ า, า, ากายวายาจใจข่องตัว สิ่มันเคยชั่วเคยเสียอยู่แล้วเราควรจะตัดเป่าออกไปอย่างไรควรกำจัดออกไปอย่างไรควรตัดหักประหารมันอย่างไรเหยียบประหารไปทานคือสำละฆ่าตัดสิ่งที่ชั่วสิ่เสียต่างๆที่เคยมีอยู่ในตัวของตัวให้ลดลงไปให้น้อยลงไปให้หมดออกไป อย่าว่าความเพี้ยนะหารประทานภาวนาประทานความดีส่วนใดที่ควรจะเป็นจะไปจะได้จะถึงรีบเร่งจะทำบำเพ็ญอย่าไปนอนใจตายใจถ้าไปนอนใจตายใจไม่ทำอะไรให้มันเกิดขึ้นมันเกินไปไหนได้เ็นดินยังกลมกดีถึงวันถึงเวลาโอกาสดีมีความ อยากเดินจริงจะเดินไม่มีการบังคับบัญชาให้มันทําการหลักการนอนก็เหมือนกันอยากนอนตอนไหกนก็นอนไปโดยไม่บังคับใจของตัวความอยากที่ชั่วที่ต่ำมันดึงลงไปเรื่อยๆจุดจุดตา่าเรื่อยไปผลที่สุดนอนทั้งวันทั้งคืนแต่ม่มีวันอิ่มวันพอวันตืดนี่คือการในสุดตัวของตัว ก่อให้ความชั่วดึงไปดูงไปแล้วต้องปลุกตัวข้องตัวให้ลุกให้ตื่นเพราะพุทธะก็คือผู้ตื่นพุทธะก็คือผู้รู้ไม่ใช่ผูหลงผู้หลับเราจะต้องทีนี้ที่จะอในในวันหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งการทําความดีของเราให้มันติดต่อกันไปเรื่อย อยากไป่อเวลาให้เป็นหมันอยากทำกว่าทำไม่อยากทำกว่ า, า, า, าแล้วไปไม่มีใครที่จะลงโทษนี่ความคิดความปรนน่ะความจริงมันลงโทษอยู่ตลอดเวลาความชั่วมันลงโทษอย่างไรจิตใจมันวุ่นวายจิตใจมันไม่สบายเึืนอมใจจะไม่มีโรคใขค้เดียเดเบียนใจใจมันก็คิดก็ฟุ้งก็ยุ่งก็เกียว อยากจะให้นันสงบลังับอยากให้มันรู้มันป่อยใจได้อัดในธทํมมันกลรู้ไม่ได้ปอยใจไม่ถึงเ้าไห่ที่ไม่พิจใจนะเพราะไหมศึกษาในปฏิบัตินี่คือโทษของมันเกิดขึ้นจากการปล่อยเวลาให้เป็นมันปล่อยจิตใจท่องตัวให้ชั่วให้เสียจริงให้มีภาวนาประทาน สร้างความดีเอาไว้ไม่มีอะไรก็แตบริกรรมพุทโธอ่ะเห็นอยู่กับพุทโธใจพิจารณาร่างกายเป็นอนิจจังทุกครั้งอนาถกว่าพิจารณาอยู่นั้นถึงมันจะไม่เป็นไจสถอความสงบจังหวัดเป็นไจสถอความเบื่อหน่ายท้ายจันงหวัดกอดตามส่งพิจารณาไปเรื่อยๆทำนั้นไปเรื่อยๆแต่ผลที่เราทํานั้น มันทำถูกต้องมันก็มีทางเหมือ น, นเราเต่าเดินไปในจังมุึงหวังลวลาอยากเกะถึงจุดหมายปลายทางแต่เดินไปในมีนการถอยหลังมันก็มีวันเวลาที่จะถึงได้แต่คนอยากถึงจุดหมายปลายทางแต่ในเต่าไปไหนนี่จะบนอยากถึงจุดนั้นจุดนี้อยากดีอยากเด่นแบบนั้นจะบน เทไล่ไมนก็ไม่เต้นแต่ให้ไม่ถึงให้มีการดาเนินทางจิตทางใจก็ทางนานเดียวกันผ่านจิตให้สร้างภาวานาปรทานสุสังส่งความดีเอาไว้สั่งใจกาหนดรักษาเดินออกจากวัดไปดินทะบาทไม่มีเย่ยงจันเต็นก็ไม่ควรจะสุดจะคุยกันกาหนดจิตกาหนดใจข้างตัวไปมันจะเถอที่ไหน ก็ให้ทราบว่ามันเถอะแล้วตั้งสติใหม่กำหนดใหม่รักษาอยู่ขนาดนั้นมันไปยังเจนไปเลยยากไม่ใช่นันเจนไปง่ายเหมือไรเรื่องกิเลสแก้ไขมันยากเห็นนั้ น, นจังจิ้ตตองพยายามแก้ไขขับไล่สัญญาอารมณ์ต่างๆที่หลอกลวงจิตใจของตัวในอย่างนั้นในทันนั้นนี่จะความชั่วความเสียจะเกิดขึ้น ของหเป็นสาระประโยชน์ของ ป, ปกตะกบของเหน่าของเน้นมันจะเกิดขึ้นสั่งเอาไว้ความดีอย่าไปตายใจนอนใจเหยียบว่วภาวนาประทานขอวัดปฏิบัติส่วนไหนกองตั้งใจทํไม่ใช่ทํานึ่นแอบคนอื่นพวกไปเท่านั้นตัวของตัวไหนเป็นตัวของตัวหากคนอื่นไม่มีแล้ว จะอยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวทำอะไรในเป็นแดบบนั้นนั่นแอ บ, บคนอื่นเขาเหมือนพักแฟงมันมั น, มนพ่อหมูใส่แจ้งถึงแก่พักแต่แฟงแล้วรสชาติอะไรในนี้อาศัยหมูเป็นเคื่องพามันพา อ, อร่อยอย่าให้นั้นเป็นแบบนั้นพยายามทำตัวของตัวให้เป็นตัวของตัว ขอวัดปฏิบัติทุกอย่างตั้งหน้าตั้งตาทํา้ดยความจริงใจในใ่ทําพราเสียงไม่ได้เห็นเดี๋ยวปัดกวาดลานวัดก็ดีปัดปัดสาราหรือขอวัดต่างๆก็ดีตั้งใจทาถือว่าเราทาเผื่อเราเราไม่ทามันไม่เกิดสาราประโยชน์อะไรให้ เวลากองฝันไปเสียเป่าแต่เราทําแล้วเราแล้วเลึกนึกคิดถึงจิตที่เราทำด้วยความตั้งใจแังนั้นมั่นกงอุ่นใจสบายใจเพราะเรานม่ปล่อยจักอว่ดัดปฏิบัติอะไรตอนนั้นไหนทำอันนั้นตอนนี้ไหนทําอันนี้ร่วมตึงแจ๋เอาใจใส่ตั้งใจทําอย่างเหล่านี้ถึงมันอยู่ภายนนอกก็ดี มันก็เข้ามาภายใไนได้คือทำจิตทำใจให้สบายทำจิตทำใจให้สงบทำจิตทำใจให้เยน็นพอเราทำในทางที่ถูกทางที่ชอบไม่ได้ทำอะไรไห า, พา้พระเสวนมนก็ไม่ได้ฝ่ายพราสวน ม, มนอะไรนอกจากครูอาจารย์จะภาวิาาา่งภาวธรรมถึงเวลากินก็กิกนไปถึงเวลานอนก็นอนไปอยากตื่นตอนไหนก็ตื่นกัน ตอนชาติเส้นสายไม่มีโอกาสเวลาที่จะได้พระเรื่องภาวนาไม่ต้องพูดถึงแบบนั้นมันจะดีจะเด่นอะไรได้สวดมวต์สวดพรตัวของตัวเองก็จำไม่ได้เพราะไหนศึกษารเรียนคนอื่นสวดก็พอเอ่ยปากไปการเขาเพราะคนอื่นหยุดตัวตสั่งตัวนในจิตแบบนั้นมันแอบคนอื่นแสงคนอื่น ใอเเป็นตัวค้องตัวการแต่พื่อปฏิบัติทางศาสนาต้องฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นตัวค้องตัวทางธรรมะถึงจึงหละอัจฉริยะตโนนาโถตนแลเป็นที่ปุญท้งองตนถ้าตนพึ่งตนไม่ได้แล้วไปพึ่งคนอื่นก็หนักใจพึ่งใครก็แค่นั้นแหละจะหาความสงบหาความถุกจริงจังไม่ได้พอคนอื่นจากไปหรือตายไป ตัวของตัวก็ว่าเวไหนทรากไหจะทำอย่างไรเพราะตอนที่ยังอยู่ก็มนนีต่างหน้าต่างๆาแตพูดปฏิบัติศึกษาให้เป็นตัวของตัว เ, เด้เดือดร้อนวุ่นวายไห ม, มีความสุขความสบายให้ใจที่ไหนํำละใจที่ไหนมีหลักฐานมันเป็นแบบนั้นฉะนั้นเราทุกคนทีมุ่งมั่นมา พ, าพุทปฏิบัติ ไม่ใช่มาเล่นมาเพลินทำอะไรต่องอใจใส่ตั้งใจจริงจังมันจริงจะเป็นไปให้พระพุทธเจ้าได้ธรรมะมาสอนโลกคืออาจารย์ได้อาจได้ทำมาอบรมแน่สอนพวกเราถ้าในทำเล่นเอาชีวิตเขาแรกต่างหน้าต่างตาทำกันจริงจริงจังท่านจริงวิจึงเห็นจิตใจจริงเย็นจริงังก จิงอยู่กวนละกวนบำเพ็ญท่านต่างใจละท่านตัางใจบำเพ็ญจนเห็นประจักษ์ในจิตในใจของท่านเชื่อมันมามา่นมั่นมั่ผลน่าจะอยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของตัวเข้าใจเห็นจริงทุกที่ควรกัำหนดรู้ว่าันนี้อยู่ที่ไหนก็ทราบทุกนอกก็ทราบทุกในก็ทราบ ทุกขันก่อข่าทุกจิตก่อข่าเรื่องที่ควรละสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรดังตัวนำมาวินิชัยวินิจฉัยนะทราบจนถึนละสมุทัยคือความอยากล้องใจออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือหรอ หรือว่าเรื่องธาตุเรื่องขันทาา่านก็ทราบในจิตในใจของท่านและทุกหน้าไหนมันจะเกิดขึ้นอีกเมือ่อถึงทำลายส ม, มุทยัยส่วต่อผิดทุกข์ขึ้นแตกสลายหมดไปแล้วนั้นตนนังนี้ทุกอะไรที่จะเกิดขึ้นก็อวรจิตใจทาา่านก็ทราบอยู่ภายในของท่านความหมด สมุทยัยเข้าใจเรื่องทุกข์ตามเป็นจริงสมุทยัยเดนผิดทุกข์ก่อวนใจได้ทาลายล้างข้ามันตายไปแล้วทำดับทุกข์คือมีรดมันเป็นอย่างไรนั่นทา่านจะไม่สงสัยอีกเพราะท่านเห็นท่านเป็นในจิตในใจแต่ก่อนตาเห็นหรู้หูฟังเสียงมันเป็นอย่างไร ตลอดจู้ใจเกี่ยวข้องกับอารมณ์มันเป็นอย่างไรท่นานทาบตอมือัมละตัดขาดจากสามาัมญาทําลายสมุทยัยเหลือตต้งแต่ขันหนล่วงรูปประขันเวท น, นาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันเป็นอย่างไรผู้มารู้เรื่องของขันเป็นอย่างไร มันเป็นอันเดียวกันเลยคนละอย่างท่านทราบท่านใส่ใจจึงมีทางสงสัยในตัวของท่านนะทางปฏิบัติแต่พฤิบัติหน้าอย่างไรใจของเราจึงเห็นจริ ง, รงเปอย่างนี้ท่านจะได้คําเต็มที่เต็มฐานของท่านทางศาสนาท่านจึงว่าทุกข์ควรกําหนดรู้ในการนัดให้รู้ให้เข้าใจเรื่องของทุกข์ สมุทัยควรละควรประหาระหารสมุ ท, สทัยท่านเชื่อปะหาตภะทมคือให้ทหารออกไปตัดออกไปถอนออกไปจะให้มันเกิดมันเป็นมันมีขึ้นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วพยายามถอดถอนออกไปซึ่งที่ยังไม่มี พยายามขับไล่ใจนั่นนะขอเกี่ยวกับจิตกับใจของตัวจะรู้จะเข้าใจจะตัดจะสังหารอย่างสมมุติภายได้ก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาไม่ใช่อาศัยตําหน่งตําหลาไม่ใช่อาศัยหอกดาบหรืออาวุธภายนอกอาศัยอาวุธภายในคือใจของตัวมีสติมีปัญญา พีนี้พิจัยนะว่อันนี้นันเป็นทางที่จะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นเมื่อติดตามโยวข้องทุกข์จะตามมาภายหลังหรือเมื่อคิดอยู่นั้นแต่คิดมากไปห้ามกั้นไม่อยู่มันก็เกิดทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับสูร้อมไปพอใจมัน ปรุงไปในทางชั่วทางผิดทางสมุททยอันจึ็ให้ทหารนิโรธจัตติกากับพรักซุควรทำให้แจ้งในจิตในใจนิโรธเป็นอย่างไรหมันแจ้งประจกักจีว่ดดับทุกข์ไม่มีเหลือมันดับอย่างไร ทุกข์จึงในเหลือในจิตในใจของตัวทุกข์มันมีทั้งทุกข์กายมันมีทั้งทุกข์ใจทุกข์ทั้งสองอย่างนี้เราจะทราบได้กาอา็อาศัยสตยิอาศัยปัญญาอาศัยการปฏิบัติภาวนาไม่ใช่อาศัยอันอื่นจะเอากล่องจิตรฐานมาส่องมันก็ไม่เห็นให้นอกจากจะปฏิบัติบ้านภาวนา ชำระจิตใจของตัวท่านั้นมันจึงจะเห็นถ้ามันแจ้งอย่าให้มีสิ่งที่มาปกปิดกำบังเอาไว้อย่าให้มันเกิดทงสัยถ้ามันแจ้งมันก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้ามันมืดมันก็มองไม่เห็นอะไรทุกมันดับไปโดยสาเหตุอะไร ปีิบัติอย่างไรทุกจริงดับไปมันก็จะทราบจากใจของตัวที่ประีิบัติมากการดาเนินก็ดำเนินไปทำให้มากเรื่องของมัพาวิโตพระพุทธีก็โตคือทำให้มากจเจริญให้มากทำมา ก, ทามากเท่าไรเจริญมากเท่าไรเรื่องการละการถอน สมุทยัยเรื่องกาจัดขับไล่พบชาตินันก็กาจัดไปในตัวของมันเองพอเราทำมากบำเพนมากไม่ปล่อยวันเวลาหายเป็นหมันจิตใจของเรามีสติรักษามีปัญญากุ้มครองอยู่เสมอกไทยมาดยจิดได้รุ้งหยุ่งเกี่ยวไปในทาง โลกทางสั่วทางเสียทางกิเลสตัณหานี่คือการปฏิบัติภาวนาไม่ปฏิบัติอยู่ๆจะให้มันดีมันวิเศษเองมันเป็นได้ในได้ถึงจะอยู่ในที่วิเรศัต่งดดีกว่าที่มันวิเรศจริงแต่จิตมันไม่วิเรศให้มันวิวุ่น ยุ่งเกี่ยวกับอารอมณ์อันนั้นยงเกี่ยวกับอารอมณ์อันนี้มันวุ่นวายอยู่ตลอดตามตลอดเวลาให้เราเป็นอย่างนั้นดินฟ้าอากาศหรือมันเป็นต้นไม้ภูเขาหรือมันเป็นไม่ใช่ตัวของเราขู่บัตรปฏิบัติหรือมันเป็นแบบนั้น ยังไม่เห็นโทษเห็นภัยของมันหรอกหรือที่มันคิดมันจูงมันยุ่งมันเกี่ยวมันเกี่ยวในมีขอบมีเศษมีฝั่งมีฝาไม่ได้อยู่ในหลักในเกียรตของธรรมะธรรมโมความดีความดีเศษมันมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อมันไม่มีอะไรทุกโทษที่มันเกิด โราควรใจมันเกิดมาจากอะไรไม่ใช่เกิดมาจากความคิดความปรุงของตัวนั่นหรือมันก็ควรที่จะที่นี้ทีจะนะทำระใจของตัวไม่มีความคิดความนึกอะไรเดี๋ยวอยู่ก็อยู่เด้กยจิ้นก็จิ้นแบบนี้มันไม่มีความหมายบวชไปตลอดวันตายก็ไม่เห็นนักเห็นผล พยายามศึกษาพยายามปฏิบัติทำอะไรให้เอาใจใส่ทำอะไรต้องทำด้วยความจริงใจ <c oughs> ถ้าทำไม่เอาใจใส่ไม่ทำจริงทำจังให้มันเป็นไปไม่ได้เรื่องของจิตของใจเพราะทำงานใช่หรอไม่พต้องเอาใจใส่ในอย่างนั้นมันต้องอสําเร็จหรือล่วงให้หรือสําเร็จ มันก็เองลเอยียดร้อยมันสวยงามให้งานทางนอกไปดัตองต้องเอาใจใส่งานทางในงานของจิตยิ่งเป็นงานละเอียดจะ ต, ต, ต, ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาต้องเอาใจใส่จรงิงจังมุ่งมั่นตั้งใจทาจรงิงจังขาดผู้ที่นี้วามมุ่งมัน่นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาตัวของตัวอยู่ตลอดเวลา มันเป็นไปในต้องสงสัยว่ามันจะไม่เห็นไม่เปลนไม่ดีไม่เด่นมันต้องดีต้องเด่นต้องเห็นต้องรู้สันทะพอใจในการจะทำความดีของตัวจะทำขอวัดปฏิบัติข้างนอกก็พอใจทำด้วยความเอาใจใส่จะ เดินโย ก, กมภารนาชำระจิตพ่อพอใจทำไม่ใช่ไม่พอใจพ่อพอใจว่าทำไปนี้จะนำความดีความลิเศษมาให้ไม่ใช่ทำไปอย่างงมงายมีสติรักษามีปัญญาดูแลจิตใจทองตัวอยู่ตลอด วิริยะเพียรละสิ่งที่ควรละเพียรบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญมันมีเป็นตามเป็นเวลาสิ่งที่มันจะมาหยื่อยุจิตใจให้เจ็ดพลาให้หลงไหลให้มัวเมาไปในทางชั่วต้องเพียรสำละมันแต่อันนี้ เป็นสิ่งที่ย อ, อยืายุอันนี้เป็นข่าศึกศัตรูต่อศีลต่อธรรมต่อมรรคต่อผลกำจัดมันไปขับไล่มันไปพยายามทาสติทาปัญญาของตัวอย่าให้เผลอให้ไปจำอยู่กับตัวตลอดเวลา ทำลายความชั่วประกอบความดีขึ้นอย่างเช่นกความเพียนทั้งสี่ที่อธิบายมาเหยกว่าวิริยะจิตตะเอาใจใส่ไม่ใช่ทำเฉยๆเอาใจใส่ในสิ่งที่ตัวทําิีมังสาตัวตาทิจรณารอบครอบในการทำ มันผิดถูกเ่วดีอย่างไรในระหว่างงานทางนอกในระหว่างงานทางในถ้าหากมีอิทธิบาททั้งสี่ประกอบอยู่อย่างนั้นมันจะไปสู่จุดหมายตายทางได้สำเร็จอิทธิบาทคือสิ่งที่มีปฏิหารที่จะนำความสำเร็จที่ตัวกลับธนา ให้เกิดขึ้นจะปราถนาสวรรค์ น, นิพพานมันก็เกิดขึ้นได้เป็นไปได้ปราถนาของข้างนอกทางโลกถ้าหากมีอิทธิบาทเอาใจใส่ละท่ายในสิ่งนัง้นนั้นเพยายามทำสิ่งนั้นเอาใจใส่ในสิ่งนั้นพิจารณาในสิ่งนั้นโดยเมวางทพืะในบางงานอะไร จะสำเร็จรุ่ร่วงไปในบางงานยากงานละเอียดในบางงานโลกงานทำถ้ามีอิทธิบาทมันเป็นไปได้มันมีอยู่ที่ไหนอ่อิทธิบาทความพอใจรักให้พอใจของงานนั่นแหละรักใข่ในหน้าที่ที่ตัวทำเดินยงกลมกว่รักใข่ในการเดินของตัวให้มันกลมอย่าให้มัน่าย มันแสบออกไปที่อื่นจะกำหนดบทพุดโทกก็ากำหนดได้หรือไม่อย่างนั้นจะเดินไปเหยียบลงไปเกิดยกขึ้นตายให้ใจมันอยู่ในเียงแขนนั้นไม่ได้ก่อเกี่ยวกันเรื่องขงนันอกจิตใจมันก็มีทางสงบได้ถึงไม่สงบมันก็ไม่ไโทษตัวาปล่อยใจให้ชั่วให้ไหล ได้คิดไปปรุงเรื่องใหม่มันมีวิธีที่จะสอนจะทำหลายอย่างสาหรับตัวของตัวแล้วแต่จริตนิสัยแล้วแต่สติปัญญาทั้งหลายที่จะสอนตัวของตัวการปฏิบัติในนีคนอื่นที่จะช่วยได้ตัวของตัวทถานั้นจะช่วยตัวของตัวเอง พยายามปลุกผิตลุกใจของตัวมันไม่เป็นไม่เห็นอะไรไม่ได้อะไรก่อตายใจนอนใจแต่จร่งที่ชั่วที่เสียที่มันเผาใจทําไมมันไม่เข็ดไม่ละ่ะมันเกิดมันเตียนอยู่ตลอดเวลาเติม อ, อยู่เรื่อยทางชั่วทางเสียแต่มันก็ไม่เข็ดไม่ละ่ะไม่ลาะเป็นทุกข์เป็นโทษอะไร การเรียนรายตายเกิดถ้าหากเราในากจะพึ่ปฏิบัติให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีระยะไม่มีเวลาจนพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะทยากรแต่คนนี้จะไปอีกกี่พักกี่ชาริเพียงแต่สังเดชมันเหลือยิสัยลอดตาข่าย หองพุทธให้จ้าวไม่ทราบว่ามันจะไปอีกกี่พวกกี่ชาติจะจะทนทุกข์ทนยากตายตายเกิดเกิดอยู่นี้แล้วจะตั้งหน้าตั้งตาไปพุธปตีบัตรตรวจกาจัดยี่เหลียมตัญหาในจิตในใจของตัวถึงมันจะทุกข์จะยากจะลำบากลำคาญขนาดไหนเพราะใจ ต, ตายเพียงชาติเดียวถิ่นมันจะทุกข์แสนทุกข์ กอช่งมันขอให้ได้กำจัดคับไล่ที่เหลี่ยันหานานาทิศที่ออกจากใจให้มันหมดแล้วได้เกิดอีกตายอีกมันก็จะทุกข์อีกอยู่ตลอดไปขาดเยืย่อแถวนี้ดีกว่าที่จะตายไปหลายๆข่ะสู้พยายามทีนี้ทิศารนาะสู้พยายามอดทน สุดผลจิตใจของตัวถ้าคนมุ่งมั่นวัาชานี้จะเป็นให้เป็นปัจสิมชาชที่จะมีเกิดอีกตายอีกต่างหน้าต่างตาจินตพิจณาเห็นความชั่วเสียต่างๆเป็นพิษเป็นไทยเป็นข่าศสุดศัตรูของใจคนนั้นมันก็มีทางที่จะถามไปได้ จากวัดตัจากคือความหมุนเขาพกบของขาดต่างๆถ้าหากหลงไหลใส่ฟันในเอาใจใส่อะไรมันจะเป็นอย่างไรช่างมันมันก็คือสิเราเห็นเราเป็นอยู่นี้มันดีอะไรวิเศษอะไรสิเขาตากเขาไหวเขาไม่เห็นใจข้างเรานะถ้าหากเขาเห็นใจข้างเราอ่ามันชั่วมันเสียล่ะจา้างเขาก็ไม่มาตากมาไหว นี่เข้าในเห็นใจพอมันคิดมันปรวงมันหยุกมันเกี่ยวกับเรื่องเสียเสียมันนับไม่ได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งมันไม่มีอะไรดีพอจะเป็นคุณค่าสาระให้นอกจากความเสียความเสียของใจมันอยู่ได้ค่อยวันตายเหงินใบไม้ที่เหลืองค่อยวันจะหลนเท่านั้นอย่าให้มันเต็นใต้แดดนั้น สำหรับนักปฏิบัติพยายามปลุกจิตปลุกใจของตัวให้ตื่นจากความหลักความหลงมุ่งมัน่นต่อทีปฏิบัติการจริงๆ จ, จังจงให้จิตมันเห็นมันเย็นมันสงบมันไม่เหลือวิสัยมันเห็นได้เป็นได้ละได้ถอนได้ สิงที่เคยจิดข้ของยึดถือต่างๆเราจะเห็นกระจกในตัวของเราถ้าเราประพฤติปฏิบัติถ้าไม่เห็นไม่เป็นอะไรอยู่ไป้อหมดวันหมดคืนหมดเดือนหม ด, หมดปีนันก็ไม่มีอะไรที่จะดีให้ความต่างใจต่อพฤติปฏิบัติตัตนนี้ก็อเชียงซาบานไม่ตายโดยยังโกลดี้นั่งก็ดี ขอ ว, วัปฏิบัติอันอื่นก็ทำนางเยากันทำแอบแฝงแข็ ง, ขงทำเล่ น, เ, ลนเพ่นกให้คนอื่นพวกมาตัวได้ทำแถานั้นแต่เอาใจใส่จริงจังแบบนั้นแบบไปคอยวันคอยคืนวันนิพพานในใจ่มสมบัติของคนทำเล่นสมบัติของคนจริง สอนใจของตัวความสุขมันไมนอยู่ที่อื่นหรอมันอยู่ที่จิตที่ใจถึงมันทุกข์มันลำบากแต่ก็เห็นผลของมันที่เราได้ทำ น, นั้นอดไปได้ทนไปได้บังคับจิตใจไม่เห็มันคิดนึกเกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอก ห้างมันนั้นห้างมันนี้พยายามบังคับให้มันทำความดีคิดเรื่องดีอยู่เรื่อยๆ ท, ที่สุดมันก็สำนัในการคิดดีตรงดีใจมันก็เกิดปัญญาขึ้นเห็นรูปที่เคยล่มหลงเกิดเพลินมันก็คือว่าอันนี้มันธาตุทีอันนี้มั น, อ น, น, มนขอสติกูณ อาสุภะอาสุภังเพราะจิตเคยคิดเคยนึบเคยฝึกเคยอบรมในทางอัตถางธรรมพอเจอข่าวเห็นเขา่าปัญญามันจะผุดขึ้นแนะสองตัวเองไม่ให้ลุ่มหลงเกาะเกี่ยวเสียงที่เคยหยว่วยวนในจิตใจมันรูงมันคิดมันกำหนัดยินดีก่ล้อมปาก ได้ยินแล้วมันก็ดับไปจะไปเก็บเอาไว้ทาไหมเราไม่ได้ยินมันก็มีอยู่อย่างนั้นรูปเสียงเลยลมันก็จะเกิดปัญญาสาหัสห้ามกันจิตใจจิตไปจิตข้องปรุงปรุงต่างๆให้หัวตัวเข้ามานี่คือการฝึกปฏิบัติภาวนามันต้องทันกับเรื่องของมันถ้าไม่ทันเรื่องของมันก็ไม่มีวันที่จะ ละจะถอนจะประหัตประหารมันได้พยายามฝึกพยายามอบรมพยายามทําความแก่ความเจ็บ ค, ความตายมันมีมาแต่ไหนแต่ะะไรเขาเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นอย่างนะั้นเราลูกคนตายหลานคนตายแล้วมันมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้เ ม, มื่อยังนี่ เจ็บไม่ตายควรจะทำอย่างไรเมื่อเจ็บขึ้นเราจะหวั่นไหวจะเสียดายว่าอันนั้นยังไม่ได้ทำอันนี้ยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้เห็นถ้าเราทำให้รู้ให้เห็นให้เป็นในจิตในใจแล้วมันจะเก็บขนาดไหนเวทนากคยทราบอยู่แล้วว่าเวทนามันจะถึงขั้นไหนมันไหนหายเหมื่อยเวลาเราหง ด, ดจิตใจ มันก็จะหายเหนือเวลาหมดลมหายใจไปถ่านมันไม่มีอะไรจริงๆเลยตายไปจะไปกลัวมันทําไหมของจริงมันจะต้องเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นจิตใจมันไม่หลันไหวเพราะขาดความเป็นไปของมันอย่เราไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆขึ้นมาก็โอ้ยโอย เรื่องแต่จะตายปัญญาที่จะสอนจิตคมจิตของตัวที่เจอน่ะของจริงให้ถั่วให้ถึงให้เข้าใจนะมันไม่มีให้มันเลยหวั่นไหวหย่อนถอกลัวตายมันเป็นใจอย่างนั้นมีคือใจที่ไม่เข้าถึงอาจถึงทำถึงของจริงถ้าถึงข้งจริงแล้ว มันในนี้อะไรมันเปิดโล่งอยู่ตลอดโลกอันนี้ในนี้อะไรติดบังเอาไว้ในว่าทุกในว่าสมุทยมัยในว่านี้โรเลยว่ามักขันมันหลอกลวงได้ตั้งแต่เฉพาะคนโง่คนหลงคนทีบฉลาดมีอาบมีทำขันเลยทราบว่าเป็นขัน ฐันมันเป็นอย่างไรรูปังอานิจจังเมทนาสัญญาทังข์ฐานวิญญาณอานิจจังมันเที่ยงเมื่อไรพวกมันมันจะเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปตามหน้าที่พวกมันมันเกิดขึ้นแบบแตกพวนแตกคลายของมันไปอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ได้จังไม่รู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเรารู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่เรารู้มันจะมาหลอกเราให้เราหลงโดยวิธีใด ถ้ายังหลงอยู่กั็คือยังไม่รู้ตามสภาพความจริงของมันต่อพี่เจ้านายทั่วผลของการประปฏิบัติตามอัตธรรมของผู้ชายเจ้าใจจิตของเรามันเป็นมันเห็นมันรู้จริงจังมันอาจหารมันไม่มีอะไรที่เจะน่ายกลัวไม่มีอะไรที่เจ้านาอยู่หน้าอาศัยในโลกอันนี้หลงอารมณ์ของจิต มันจึงสูกจึงทุกข์จึงเศร้าจึงเพินตามเรื่องต่างๆที่ตัวชอบตัวตัณมิพยายามดูเข้ามาภายในเพราะทาเป็นสันติสิกโกเป็นเอหิตัสสิกโกมันท่าทายเหียกร้องอยู่ทุกการทุกเวลาผู้พิจารณาจะเป็นสันพิสิกโกเห็นเองมันเป็นอย่างไร <c oughs> การปฏิบัติถ้าไม่เอาใจใส่จริงจังเลยฝึกจริงจังมันไม่เป็นไม่เห็นให้โอกาสที่จะปฏิบัติได้ก็คือตายของเรายังไม่มีโอกใครเบียบเดเบียนหนักแน่และเรายังเป็นผู้เล็กผู้น้อยไม่ได้รับภาละหน้ า, าที่หนักหนาอะไรวันคุนเดือนกีไม่มีหนาที่ ไปรับแคร์ไปเียดสอนรับผิดชอบกับคนอื่นไม่แต่ดูจิตดูใจปฏิบัติอยู่ภายในของตัวเมื่อปฏิบัติรอบในตัวของตัวตัวในตั้งหนีตัวของตัวคนอื่นให้จะได้ตัหนีเรามันตั้งหนีไมได้ถ้าหากเราปฏิบัติเป็นอาจเป็นธรรมนีตัวของตัวกวตั้งหนีตัวของตัวอยู่ คนอื่นเขาก็สันนิษฐ์ได้ที่มันชั่วมันเสีย อ, อยู่ที่ไหนจะปิดจะบังได้อย่างไรมันปิดมันบังไม่ได้โลกอันนี้ไม่ว่าความดีความชั่วนั่นไม่มีอะไรปิดไม่มีอะไรบังมันปิดบังก็คือเรื่องกิเลสตัณหาของเราปิดบังแบผู้อื่นไมมีอะไรที่จะปิดบัง มันเปิดโลงอยู่ตลอดดังนั้นการจะไปปฏิบัติถอนหายใจปฏิบัติตัวคล่องตัวแล้วจะไปปฏิบัติที่ไหนถ้าไม่รู้เรื่อนคล่องตัวแล้วจะไปรู้ยัองอะไรเพรเรื่องนอกมันออกไปจากตัวคลองตัวปกครองตัวคล่องตัวไม่ได้จะไดปปกค้อง่คนอื่นได้อย่างไร ดูแลตัวของตัวก็ยังไม่ทั่วงไม่ถึงแล้วอยากจะไปเห็นทั่วโลกได้อย่างไรขอนที่นี้ที่แกนาะนศึกษาปฏิบัติเสร็มาบวชเล่นทั่วโลกเขาถือว่านักปฏิบัติกรรมฐานแต่ตัวเองเป็นอย่างไรเป็นกรรมฐานไหมปฏิบัติไหม